ธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งระลึกของจิตสิ่งระลึกของสติเพราะฉะนั้นจิตของเราจะคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องของธรรมะทั้งนั้นคิดเรื่องบาปก็ทามานุปัสสนสติปัฏฐานคิดเรื่องบุญก็ทามานุปัสสนสติปัฏฐานคิดเรื่องนรกสวรรค์นิพพานก็ทามานุปัสสนสติปัฏฐานคิดเรื่องครอบครัวก็ทามานุปัสสนสติปัฏฐาน